วันนี้เป็นวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554หลวงตาพวกพวกเราละสังขารมาได้21วันวันนี้ท่านละสังขารเมื่อวันที่30 ม, มกราคม2554วันนี้เป็นวันที่19กุมภาพันธ์เป็นเวลา21วัน พวกคณะทาย า, าิโยมลูกหลานที่รักเคารพในองค์หลวงตาก็ได้มาช่วยกันคนรับไม้คนรับมืองานทุกอย่างก็ราบรื่นตามสายตาของหลวงพ่อที่ดูแลทางด้านพระสงฆ์ถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาหลวงพ่อว่า7 0เปอร์เซนต์ที่งานลุล่วงไปแต่คิดว่างานทุกอย่าง คงจะจัดเข้าระบบไม่นาน 70-80% หรือแเเซแล้วส่วนเมนก็จะเสร็จสิ้นตามกำหนดอาจจะวันที่20ินิดหน่อยทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยเรื่องเกี่ยวกับเมนส่วนข้าราชการมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกประชุมหาหรือกันเมื่อวานนี้รู้สึกว่าการวางแผนเรื่องหนักที่สุดพูดยาวที่สุด เรื่องที่จะต้องวางแผนระยะไกลที่สุดก็เรื่องเรื่องรถเรื่องรถเพราะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้ยินเสียงของหลวงพ่อที่ประกาศออกไปนี้ mm. เมื่อถึงวันนั้นเราจะ mm. อยากจะได้ความสะดวกสบายในการเดินทางและมาถึงจุดมุ่งหมายใกล้ที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากขอให้พี่น้องทั้งหลายต้องทำใจในวันนั้น ต้องมีน้ำใจถ้าเรารักเคารพในองค์หลวงตาแล้วก็ถึงยากลำบากยังไงเราก็นั่งรถถ อ, อยแล้วนั่งรถต่ออีกต่อหนึง่งรถของเราคงเข้าไม่ถึงวันนั้นเพราะคณะกรรมการได้พูดกันยาวนานทีเดียวเพราะพวกเราจะรับผลเป็นล้านงานขององค์หลวงตาเราเพราะนั้นรถจะต้องจอดไกลแต่ถึงยังไงก็พวกเราจะพะยายาม จะให้พวกพี่น้องประชาชนเข้ามาใกล้ที่สุดคือพยายามถ่ายเทจากรถข้างนอกเข้ามาแต่ถึงยังไงพี่น้องจตทายาติโยมสิทธิยานุสิ์ที่รักเคารพในองค์หลวงตาต้องมีต้องใจเย็นในะวันนั้นนะใจเย็นก็รอมาสร้างบุญสร้างกุศลจะใจร้อนไม่ได้อยากจะให้คนอื่นเอาใจเราไม่ได้ทุกคนก็อยากจะให้เอาใจ เราทุกคนทุกๆคนไปจะให้คนอื่นเอาใจเรามันยากนะเพราะวันนั้นเป็นหัวใจหลายและเกินหัวใจล้านหัวใจจะให้ได้อย่างใจเราทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะฉนะนั้นเรารักเคารพในองค์หลวงตาเทิดทูนในองค์หลวงตาแล้วอย่างไงก็ได้นะอย่างไงก็ได้อย่างลว ง, งพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยยอมถ้าองค์หลวงตาและหลวงพ่อรักเคารพในองค์หลวงตาแล้ว หลวงพ่อทําเพื่อหลวงตาถ้าหาว่าไม่ผิดทําวิเนัยไม่ผิดกฎระเบียบไปตามทำนองครองทำแล้วหลวงพ่อจะพยายามทําให้ดีที่สุดก็ขอให้พี่น้องประชาชนจัดทายญาติโยมอย่างที่ดีหลวงพ่อพูดเอาอย่างหลวงพ่อพูดง่ายๆใจหลวงพ่อนะ ถ, อนะถ้าจะว่าไปแล้วก็เกินร้อยที่รักเคารพในองค์หลวงตา เสียสละเพื่ออคงลงตาขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะ้าวันนั้นนะตั้งแต่วันตั้งแต่เริ่มที่พวกเราจัดงานนะั่นหละหลวงพ่อพูดยาวเหลือเกินเมื่อวานนี้กับคณะกรรมการมีท่านผู้ว่าเป็นประธานรองแม่ทัพภาคแล้วก็ตำรวจทางภาคก็มาให้คำชี้แจงกันยาวนานเมื่อวานในีเกี่ยวกับรถสนามที่จอดรถ แต่ที่หนักใจที่สุดเกิดถึงวันนั้นน่ะถ้าฝนตกอย่างเมื่อบุญประไทยเข้าเปือกวันที่1 1 1เออเรื่องจะยุ่งขนาดไหนก็นยังมาคิดกันอีกแผนหนึ่งแะแผนสองแผนสามเข้าไปอีกคณะที่ทำงานเพราะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าต้องต้องเห็นใจคณะกรรมการนาะถึงวันนั้นนะแต่ก็พยายามอย่างที่ว่านะพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะเมื่อวาน ตอนเย็นก็ทุนกระหม่อมมา เ, าเป็นประธานทอดผ้าบังสกุลที่วัดของเราตำบุญกระองค์หลวงตาของเร า, เาทุนกระหม่อมท่านจะมาทุกเสาร์อาทิตย์ท่านไม่มีภา ร, รกิจหรืออาพาธส่วนอื่น อ, อันนี้ถือว่าท่านรักเคารพในท่านพ่อของท่านคือหลวงตาของเรา ผลนั้นขอให้พวกเราขนาดเจ้าขนาดทุนกระหม่อมที่ท่านเป็นเวรเบิร์กเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านก็ยังยอมมาขนาดนี้พวกเราเป็นพระศกนิกกรทั้งหลายนะให้มีน้ําใจวันนั้นถึงวันทุกวันนะที่มาให้พวกเรามีน้ําใจต่อกันให้รักถืออดยกดรงตาเป็นร่มโปร่รมใสของพวกเราธรรมเทศนาของโรงตาอยู่ในหัวใจของเรา ท่าสอนให้พวกเรามีขันติมีขันติมีความอดทนมีความเพียรมีปัญญาให้อภัยหลวงตายอดเป็นผู้ให้อภัยอยู่แล้วหลวงตาเนะี่ยยอดยอดเสียสละอยู่แล้วอยอดให้ทานอยู่แล้วยอดเสียสละอยู่แล้วหลวงตาเราเ อ, อย่างที่อารมภาพเคยพูดอยู่เสมอว่าคณะท้ า, ายใจครั้งสุดท้ายของท่านยังมีพินัยกรรมอีกเงินทุกบาททุกสตัง ที่มาในงานศพของเราให้ซื้อทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมดอันนี้คณะกรรมการก็ช่วยกันทำให้ดีที่สุดตามพิธยกรรมของท่านแล้วท่านบอกว่าสำหรับร่างกายของเราฟืนเท่านั้นเผ า, เผาอย่าไปแต่งให้หรูหราโอราเสียเงินเสียทองนั่นท่านสั่งขนาดนั้นเพราะนั้นลวงตาของเราเป็นผู้เสียสละสุดๆเนะื้อพี่น้องลูกหลาน พี่น้องลูกหลานทุกคนเข้ามาต้องเสียสละทางด้านจิตใจเหมือนกันนะอย่าไปหาความสะดวกสบายในการมาในงานองหลวงตานีย่ยากเนอเอ้อให้เสียสละอย่างหลวงตาเนอ้อพี่น้องลูกหลานคณะสัต ย, ยาญาติโยมทุกๆเหล่าทุกๆหมู่เนอ้อเอาตอนนี้ไปรับพรนะแม่ทินเนอ้อ